มนกามนิยธรรมต่อไปแต่ไปจะทำเน้นนั่งทำธรรมฐ้นเดียวกับภาวนาันเป็นจิตในจิตศาตร์ไปมาต่ไป เดียกวาากับการปฏิบัติสมาธิหลับตาหยุดใจแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกกำหนดที่ไายจมกูกที่ลมหายใจผ่านเต่าไปหายใจให้ กำลัเสนออย่าบังคับรมให้มันยาวเกินไปอย่าบังคับรมให้มันสัง้งเกินไปอย่าบังคับรมให้มันหยาบเกินไปอย่าบังคับรมหายใจให้มันละเอียดเกินไปให้พอเหมาะคอสมสบายสบายเท่านั้น แล้วก็ให้ก <c> ็ให้กำหนดเตือนหายใจอ่าอ่าหายใจเข้าลมเข้าไปมันให้มีการรู้สึกว่าเต้นลมอยู่ที่ปลสมูกกลางลมอยู่ที่หัวใจปลายลมอยู่ที่สุดดี เมื่อหายใจออกมาให้กำหนดยอเต้นลมอยู่สะดีอกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่ตัโบกแล้วก็ตังใจกำหนดต้นลมกลางลมปลายลมอยู่อย่างนี้เลือกความมีสติจะดิด้ดได้อยู่ เรื่อยไมีขึ้นใจขึ้นเยอะเติมเต็นอยูอย่อย่างนี้เ้ืเอ่อยไปไม่ตงคิดอย่างอื่นี้คือเทระคือเทระที่จะต้องทำในปัจจุบันนะวันนี้และปัจจุบันนี้เรื่อยอย่าคิดไปอย่างอื่นอย่าสง่งจิตขึ้นไปทางบนอย่าสง่งจิตไปทางล่าง ยาคงจิดไปข้างองว า, ยานยาคงจิดไปสักสองอามสนงสายให้ตรงทำจิตให้ตรงยาคงจิดไปอย่างอื่นให้ความรู้จิตความลมหายใจเข้ออกอย่างนี้ต่อไป บางทีมันแค่เกิดจิกความคิดเชิงวน้ตทำอย่างนี้ทำให้เป็นอะไรทำให้รู้ อ, อะไรทำให้อะไรเกิดขึ้นมีประโยชน์อย่างใดบางทีหยิบแต่คิดเชนนี้ถ้าคิดขึ้นนี้เราก็ตัดมันออกไปในเรื่องนี้ ไม่ใค่พระหน้าที่ทองเราจะคิดอย่างนี้หน้าที่ของเราที่รงนั้นก็คือตั้งสถิให้ดีตั้งสันติเจ้าให้ดีกลารลมเส้นลมกลางลมราย ล, ล, ลมเท่านั้นออพระหน้าที่ที่จะทจะําปัจจุบันนี้มีนี้ประการที่สองมันก็จะคิดไปว่ารำคานเสียงรถยน ลำคานเสียงเสี่ยงดินแรมคานเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าเสียงข้งางในเรนนั้นมารบกวนเราอย่างนี้นั้นเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้ามีความคิดเกิดขึ้นเช่นนี้ก็น้อนขมาว่าเสียงรถไมด้มควรเราเสียงเดรนไม่ไดนมาควรเราเสียงสะคารไม่ได้มาควรเร า, เ, า, า, ร เ, ราเราเองจะควรเขา เขาก็เลยมาป่วนเราถ้าใจเราไปป่วนเขาเราก็ปฏิบัติข้ามจิตของเราฉะนั้นอย่าไปควนเขาเพราะฉะนั้นยุดมันจะรู้จักเมื่อจิตมันรู้จักแล้วมันก็กําหนดโลมหายใจเข้าออกต่อไปฉะนั้นตอนนี้ไปลงมือการทำได้แล้ว อ, อท่านผู้เจริญทั้งหลายณโอกาสที่เราทํากรรมฐานจบลงแล้วนี้อาจจะมาทุ่โอกาสติดสังท่านผูเ้เจริญทั้งหนาย่าเรื่องที่จับบางคนก็คงจะรู้จักบางคนก็ยังไม่รู้จักว่าอาจจะมามาตัวไหนมาอะไรเพื่อต้องการอะไร อาจจะมาเป็นพระซึ่งทกำกรรมฐานมานุ่มนานอยู่ไทยแลนด์หลายสิบปีแล้วก็เมตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ได้มีศรัทธาพยายามปฏิบัติมาเข้าวัดพุทธศาสนาตั้งแต่อายุต่ากว่า <c oughs> ีดนท่นทากา ร, ป, รปฏิบัติมาโดยมาจนต้องสาขาอยู่ในไทยลอมีสาขาขึ้นปฏิบัติประมาณสามสิบแห่งและอำนาการปฏิบัติมานี้คุณมีริ้จักใน่างสเทศ มีประมาณเก้าประทีปแต่เรียนอยู่ที่วัดน้องต่อโปงพุทกรรมฐานประมาณเก้าประทีปได้ไปพุทกรรมฐานอยู่ที่นั่น ไ, ได้ไปบวชเป็นพระสิกสามมือนีในพุทธศาธนาแล้วก็ยังมีทา ย, ยกทา ย, ยกาุกาผู้หญิงผู้ชายทังหลาย ในต่างประเทศเข้าไปเยี่ยมวัดหนองกระโปนั้นมากมายอันนี้ท่านพระเจิโพนี้ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นสิบสิบพรรษาได้สิบปีแล้วไปอนนยู่ยานามัองเขาในก็รเรื่องการปฏิบัปฏิบัติในพุทธศาสณาพอสมควรเมื่อมีลูกจิตต่างประเทศมากขึ้นมา จะมีชื่อเสียงคิดสัพมากขึ้นจึงเป็นเหตุให้รีบกับกับสถานที่นี้เอ้ยเจตระสถานที่นี้มีผู้มาดําเนินการปฏิบัติขึ้นหลายปีแต่มาถึงแบบ น, นี้จะเดือดขาดพริดสุที่จะปฏิบัติมาหลายปีแล้ว ตัวนี้นนจึงโยนจับชาต์จับโยนผิวอิบากิการีบาได้เดินทางจากกรงุงกันดอนไปสู่ไทยแลนด์แจ ะ, ะดูสถานที่ที่วัดของสปปนั้นแต่ด้โคตรที้สถานที่นี้แล้วก็ อยากจะนีมนุษย์อาตมามาดูที่นี่อยากจะให้มาอยู่ปฏิบัติที่นี่อยากจะให้มาฝึกอยากเจริญที่นี่ด้ยวยอาตมาจึงรัตตากาจะมาดูแต่ในรัตตาา จ, จะมาอยู่ที่นี่เพราะว่ายังไม่คุ้นเคยกับไฟธาตชุท่องตาตุกนี่ บรรดา น, นี้ไม่รู้จักกระเทอนี้ไม่รู้จักจิตใจไม่รู้จักความเป็นอยู่ไม่รู้จักภาษาออัตมาก็ไม่รับปากว่าจะมาอยู่แต่ก็ต้องมาดูเมี่ยมาดูแล้เนี่ยมาดูแลฟ้าเกิดความรู้สึกหลายอย่าง เนี่มาถึงชิ้นเี่ยจะมาเกิดขึ้นด้สิทหลายอย่างเกิดขึ้นด้วยสิทธิกระแสพัฒนที่นี่กับดินฟ้าอาสากับประเพณีของประชาชนในชาวกรุบรังนี้เนี่ยยังจะกูดไม่ถูกเลยทีเดียวที่อาจะมาเต้ามาสูเมืองนี้มีความรื่สิทธิแท้ปรากฏใหม่เกิดใหม่รู้สิ่งที่มีกอรรู้เห็นสิ่งที่มีกเห็น ปัจจบันนี้ก็เป็นอยู่ย่างนี้แต่ว่าไม่เคยนิเลยว่าไปชาชนไปเ้ากรุงรันรอนนี้จักสนใจในพุทธศาสนามไม่เคยนิกเช่นนั้นเมื่อมาถึงแล้วจึงเป็นเหตุให้แปรใจ ขณะนั้นอาตมาจึงมีความภูมิใจในกระเรียนใจอยากให้พุทธศาสนาแค่มาถึงที่นีด้วยแต่ก็เป็นของลำบากยา ก, ยากอยู่ดยเดเมฉะนั้นจึงติดศึกษากับประชาชนทั้งหลายว่าจะมีความทอมเพียงนนันมจะยินดีไหม อือจะพอใจนะมพาพระศิษยมาตั้งอยู่ในที่นี่มารักษาที่นี่ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติต่อไปถ้าแง่ตั้งใจเข้ามาเจอจีนกันตอนนี้จะพระสมธโทกับพระเสีอมะคำโมมาดูแลไปจะกลับไปไทยแลประมาณสัก เรื่องตัวที่สองเดือนฉะนั้นบัดนี้จึงมาเห็นโฮมประเทศสิงหเป็นปฏ ร, รูประเทศเป็นประเทศที่สมควรทุกสิ่งทุกอย่างบินฟ้าอากาศความเป็นอยู่แต่ขาดอย่างเดียวขาด ยังไม่มีมักบลาดที่มาจะแนะนำท่านสอนในทางคติศาสนาอย่างแท้จริงท่านอัตมาจึงตัดเกรงใจแล้วว่าจะให้พระเจเนโทรอยู่นี่ก่อนกับพระสถรนธรรมโมอยู่ที่นี่ดูก่อนเพื่อจะเป็นประโยชน์ ในที่นี้ด้วยเปี่ยนตัวอาตมานั้นมีพระจำเจนมากจะต้องกลับไปแถรมาก่นกนกนอนเพื่อเพื่อประโยชน์ทดลองอยู่ที่นี้มาก่อ น, น, น, น, นแต่ว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติทั้งหลายที่จะให้อยู่นี้เป็นแค่สมถ า, าน เป็นพระสรรมถานคือเป็นผู้เกิโดยตรงเป็นผู้มากน้อยเป็นผู้สังเิดเป็นผู้ไม่มากมากเป็นผู้เรี่อ ง, งง่ายไม่เรื่องยากแก่ก็ต้องแก่ก็ต้องสำหรับที่คนยังไม่รู้จักก็เป็นของยากแต่ท่านกินง่ายเจ้ท่านนอนง่ายยิงง่ายถ้าคนไม่รู้จัก จนกว่าพระธรรมทูตในมังคายที่พระเสด็จารงสมาในที่นี้ไม่กร้าทำไม่กล้าทำถึง น, นั้นไม่ก่าทำเหนือนพระพุทธเจ้าไม่ไม่ไมกล้าทำในหปปรักคุตติศาสตราอย่างแท้จริงเช่นการเที่วยินทบาทเที่ยวยินทบาทจะใช้เป็นขอทางพระพรธรรมทูตที่ย่างมนเคยปฏิบัติมาสักครึ่งไม่มากกอยาย มไม่ได้ทำะฉะนั้นการยุทธาบาตรใ น, น, น, น, น, น, น, นจริงจันงงนนี้ที่ไม่มีตลอดมาถึวันนี้การจปิจริงการยุทบาตรนี้มาาีมาติดตั้งติดตัวใจของเราเกิดมาจากอินเดียการยุทธาบาตรกรนีอินเดียการยุธาบาตรก็ม่มีน้นอยเพราะเกี่ยความปฏิบัติคนมันเกี่ยนไม่ใช่ศาสะนาะมันเกี่ยน เพระนั้นการยินพบาทมีจงเล่ากฎเรืองกคือวันนี้สร้างวัดขึ้นจะต้องมีมูลทิจะต้องเรียงเงินเรียงเงินทองกันมาเป็นก้อนหนึ่งเป็นมูลทิพย์เพราะในสองไปยินพบาทก็เลยเกิดเป็นความยุ่งยากขึ้นมาเบียดเบียนยาติโยมบางรายหงุดหงิไป เมตตาคนก่อนเมตตาช า, า, า, า, า, าถ้าเราไม่ปฏิบัติการยินทบาท้ามีตามยินทบาทแล้วมโนยุที่จะสั้งพุนานไม่จาเป็นการฆ้ามาพระมีบ า, นะะบบ า, า, บาปแต่อบาลยินทบาทไปเรื่ยก็ไม่ขอโดยวาจาดโดเ ด, ดินโโ ด, ด, ดยความสงบอย่งนัดนงประคงหรือที่ไทรนนั้นการฆ้าโดยยินทบาทแลยเยิน ใครจะมีอาหารมาโยนที่หน้าบ้านให้ข้าวสักนนส ก, ก้อนหนึง่งผ ล, ลไามานนไม่สัใบหนึงหตตนน่งขนมปังสักชิ้นหนึ่งเอรองไอคนนี้จะหาวไปหลายคนไปขนมปังนั้นวันนึงจะจะเสียค่าวไปสักทีหนึ่งหรือแต่เป็นไสักใบหนึ่งแล้วนมสัก้นหนึ่งเท่านั้นหลายคนเดินไปเดินไปมาสะพอทาแล้ว ไม่จาเป็นถ้าหา ก, กว่าคนหนึ่งไม่รู้ก็ได้่นขอทานแต่ว่าไม่ใช่คนายทานแค่ว่าคนเราที่จะอยู่ไปนี้ก็เพราะอาหารโดยสารอาหารมาเป็นอยู่ชีวิตก็ยังมีอยู่เมื่อชีวิตยังอยู่ก็สอนประชาชนโดยสอนประชชนให้สร้างเป็นงานความิีขึ้นบ้าม สอนธรรมะให้คู่แต่งธรรมะก็ต้องมอาหารเป็นเป็นเครื่องอาศัยอยู่ถ้าไม่ม้อาหารตกใงธรรมะไม่ได้อันนี้ถ้าไม่มีอาหารเลี้ยงจะอธิบายธรรมะหน่อยสอนแต่ละคนรม่ได้จะท่านเอาไรมากไม่นาแล้วท่านจะขันอแล้วก็านจะแต่ไม่เก็บไว้อาหารเก็บ้ว้ไม่ได้เ๋ยเป็นเรื่องโดยญาตดเองเขาเก็บไว้ธรรม แ็่ฉัน่เรียรอีกเรื่องเรือไม่บาต ด, ดวยวันี่เ <c> ด <oughs> ียวเาทั้งหลายเราไม่ติดค่าที่แปลกๆยังจะมาเดินทางมาจากแคลิฟอร์เ น, นียดอนี้ไม่มีสต า, างที่จะเป็นพัดจ้างที่เอเอโกรกไปรนินมาเขาจะถวายให้นั่งมาทั้งที่มีโพเขาบกอยากโยนเขาจะให้ามา เ่อนเพื่ของพาะสุเมรุโพเสมาธโมทุกพระที่อยู่วัดกะพงจะตางในยามในึ่งไม่เคยไะขอใครไม่เคยจะขอใครไม่เคยจะร้องขอใครไม่เคยไม่เคยไปเ่อะไรเงินทองไม่ไม่หมว่บ้างต่างๆไม่เคยทำการชื่อขายไม่เคยทำการหาเงินแต่เป็นพูดปฏิบัติมากเสีน้าไม่เคยเกินข้างกับใค ยิ่งเป็นแต่เทวีของพระพุทธเจ้าถ้าหาพระมาอยู่พระโยมจะมีความได้สุิอย่างไรไอ้อันนี้จะมาเลยเพื่อเรื่องพะใฟังว่จาจัดเป็นยังไงมีความได้สิยังไงนะถ้าญาติโยมทุกเคนต้องการพระอย่างนี้พรอัตมาจะให้พระอยู่ปฏิบัติแล้วยายส่งมาให้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติจอืม มันคือาจายมาอาจะมาจากปัญษาเรืยก็ได้การประจามตนนี้เราจะจะเห็นพระมโนจรรดานี้ทุกมาจากขันย้ันทุะมาจากขานยมันอยา่างใจใจอย่างอื่นนะบางเรื่องก็มาทางความอุ่นไหวดีอพุทธศาสน า, านั้นไม่ใช่บุคคล บุคคลนนไม่ใช่ศาสนาออ่อาศาสนานันไม่ใช่บุคคลบุคคลไม่ใช่ศาสนาศาสนามันไม่เคลื่อนดีตลอดเวลาอ่าคือเพราะมาปฏิบัติศาสนาใม่ถูกจึงมันเป็นหน้าเรื่องใสอืม จึงไม่เมตนำญาติโมยมทางหลายให้มีความพุชใจน้อยลงน้อยลงได้ฉะนั้นบางคนก็จะเห็นว่าเมืองไทมีพระพุทธศาสน า, า, ส า, าบางองค์พีะเมืองไทมาทําไม่ดีก็ไปเผดพุทธศาสนาเผดพุทธศาสน า, าไม่ได้ศ า, าสน า, าไม่เป็นยังไนอันนั้นมันเป็นคน กินเดียรับคนไม่ใช่ศาสนาศาสนาไม่ใช่คนศาสนาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับตะเกร์เกลียมีความเข้มอยู่ตลอดเวลาถ้าใครไปกินเบียรก็ยังคน้มอยู่ถ้าคนไปกินเบียร์จะไม่เข้มท่านั้นพุทธศาสนาไม่ินเบียรไม่ได้กินเบียร์ไม่ได้คนเขียงต่า ไม่ใชศาสนาัี่เถียงบางคนก็จะเห็นเฉพาะในปรเด็นมาปฏิบัติมาทำมากระทำไม่ดีแล้วก็จะโทษทุกข์โศกสนาอืดแต่ท้ายจะว่าคนที่มาจะ ก, กิเนเกลือจะไปโทษจากเกลือไม่ถึงอย่างนั้นก็ได้เงินกันไอ้ใาเบริงจริงไอ้ใจไอ้ความเข้มของเกลือมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากามีคนไอ้เกลือไปกิเปนเข้ามาถกทม ความเพียมบุกพการีผอมาพุทธศาสนาต็ออย่างนั้นดังนั้นพุทธศาสนานี่ยเกับจิสควาจิตใจให้สบายความจิตใจให้เป็นทุกข์เพื่อนพุทธศาสนานี่าวันนี้ถึงเลาอะไรให้ฟังถ้าโยนยินดีถ้าโ ย, ยนโยเห็นเรื่องอันตมาก็จากสรง ที่ศามันนัสร้างข้อปฏิบัติให้ที่นี่จเริยขึ้นมีการปฏิบัติแต่จะต้องจะต้องไปยินพบาทขอทานหรืเดนมีความรู้สึกยางไงบ้างถ้าเกิดยินพบาทถ้าคนขอทานแปลกไหมอาจะมายินมีเห็นระชาติกิดในชาวกิ่งบันดอนี่เหมนก็บพี่น้อง ถ้าชายไปเจอจะเปลี่ยนในฟังด่นนาดีจะดีนะทำผลไม้ก็ดีแตาไม่มีใครมาปูกแตไม่มีใครมาทางสวนอย่างนั้นไปะเะอไปเจอพอสมควรจิตใจคนจะดีสถานที่จะดีอะไรวิชาอาสาจะดีสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมด แกว่าไม่มีใครมาส่าสอนภาษาศาสนาให้เข้าใจให้มีความถูกต้องเลยนั้นมันก็ไอไอไทำาลไั้จะดีดิจะดีจะมีมีใครปลกอัตมามีความรู้สึกอย่างนั้นดีงไหมโยมมีมีเป็นไงไอฟ้ า, ามาประกาศศาสนาสร้างก็จะมีดีไหม อยู่วัดตพงเนี่ยันไม่เคเข้าใ้เลยรืองต่านีไม่ใช่ได้เรีนเดยวก็ไม่ได้ข้ามเอออยู่วัพงหลาทิตยเนี่ยมียมอาหารที่วพระะจะอ่ากะไมีอาหารเยอกว่ามอาหารมันด้วยแล้วก็จะได้คนดีให้มามีเดียวยอ่างเงยจะได้ทำยินดีค่ากาอ่า ตองปรเภทเรื่องระบาดๆ่ง้นะคั ว, ว, ว, วจะการชื่ออาหารจะไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมเราิดใหม่มมใหม่ไม่เคยเลยเหรออืมติดใหม่แต่ก็ทำได้นะมันไ่้งหยุดลเลยตีหน้าที่สุดเลยจะพยายามทำแต่ก็ทำกลุมคนสอนน้อยจะหายสอนมากตาเห็นเนี่ยจะดีขึ้นขึ้นถ้าเป็นยังไงเนี ดยนที่นี่จะไม่ลำบากในลาบากกับยาโยนทั้งหลายถ้ามีมูิทรีย์นครับมันจะลาบากํารโยนเป็นคอหนึ่งมันลาบากเหมือนกันก็ไมให้พ่อใหญ่ๆแลแบะมันจหนักถ้าเรามา่าเป็นขี้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆะๆๆๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกๆๆนัก ถาาผ่าเป็นชีวิ tables, like, ี naden, so anger, laisser, no ิตในนน้อยๆมคนในธรรมศาสตรเคยมีใครไม่ดีธบรมนี่ไหมเคยมีไหมแต่เคยเห็นไม่ดีธรรมดีธรรมเนี่ยอย่างนี้จะเป็นประวัติศาสตร์สิฮึเป็นประวัติาสตร์ไม่ดีแบบนี้ก็ต้องทำเรื่อยจุดต่กันอยู่เป็นประัตาสตรนี่ตรงนี้ยนี่เ็รืองตีชับไที่พูด่ อยู่กันหนอยมันอ่ามันมันถ้าหาเราทำแล้วมันมันมีประโยชน์นะเวลาตอนชาดิบศาสตรมาใสบาตรปทะงานใสบาตรไปทำานใส่บาตรไปงานไม่เสียการสงานเลยมันมีเวลาวันนี้ตอนเย็นมามีโอกาสจะทำสมาธิกัน ไม่ต้องตามมาส่งถึงที่นี่อาหารนะ จ, จัดมางตอนเช้าจัดไว้แล้วครับจะข่าไปจะเอากันชีเวลาเอากันกีโมงก็งไปทาไส้แล้วก็ไปทำงานแบบนลยสะดวกมากแต่พูดง่ายๆมาโดยทำอาหารตอนเช้าอืมอ่อะเรากพยายามทำเลยวะเนื่องเว่ า, เาจะปฏิรูปติ่งหนึ่งมันดีขึ้นเลเแเ้าไม่ทำแล้วแต่พยายามทาไว้มันไม่ยากมาก เมือม่อวีเขาเคยไปทำอาหารทำอาหารถวายพระฤาษีวัดพระงอะไรแบบนี้มาแล้วนั่นก็ด้ย อ, ดยอย่างนั้นทํานแม่ท่านแนมะ่เถอพุทธจ้าท่านปนระ ด, ด, ดกร่าวเลยว่าการ ขันาโมโขอัตติระมสาริโยโขสองประานี้สัพพิามะุกอย่เอ่อะความสุขทางกายความงใจเป็นความสุขขันญโโข อาอยู่้นัานยอเป็นความทุกข์ทางใจไม่จะเป็นความทุกข์ทางากนนายทังสองอย่างนี้เร า, ยาึกดไปต่างหรือเท่าไหมยาไปจิตในความสดเป็นลืมตัวยาไปจิดในความทุกข์เป็นลืมตัวถ้าไปจิตในความสด ก็ไม่สงบแต่จิดในความทุกข์ก็ไม่สงบแค่ย า, ากความทุกข์นั้นก็เป็นกิรลอย่างในความทุกข์นั้นก็เป็นกิเอย่างนี่ฉะนั้นเนี่ยความทุกข์ทุกสองอย่างเกิดขึ้นมาแล้วพยายามเอาจิตจิตนาหรือทุกขนี่มันก็มมนมนกมมไม่มแน่เกิดนีนั้นก็ไม่แน่ไม่แน่ยังไงนี่สุดยอด บางทีมันกกเกิดทุกข์เกิดึฉนมะอีมีทุกข์แล้วบางทีเกิดสุขเกิดฉนมะอีมีสุขแล้วบางทีทุกข์เกิดฉนมะอีเป็นเชนนี้ตลอดไปอืมเป็นถึงวันที่สุดของชีวิตของเราเราเราทุกคน เ, นเราทุกค น, เ, นเคยมีความทุกข์ไหม ว่าเคยมีความสุขไหมเคยมีสุมนะมกมันหายไปไหมเคยมีทุกมันหายไปไหมดีมันสุขอยู่ตลอดเวลาดีมันทุกอยู่มันเปลี่ยนแปลงนนะี้นี่คือธรรมะดีจิตของเราจะได้ถ้าหาว่ามันเป็นอยอย่างนี้ ถ้าหากว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ทิงความสงบไม่ถึงความสงบไม่รู้จกกักธรรมะของจักรพุิเจ้าถ้าหากบารมีอดทนมีความสุดเกิดขึ้นอดทนพอสมควรมีความสุขเกิดขึ้นก็อดทนพอสมควรรูอ่อสิ่งทั้งสองอย่างนี้สุขเกิดจมาสรางรู้ว่านี่คืออันตราย ชุบกระตุมานี้ก็คืออันตรายอือันตรายเจือใจของเราเนี่ยของเรานั้นทุบก็อันตรายชุบกระตุมานอันตรายอันนี้พวกเราทั้งหลายไม่เห็นดังนั้นชุบกระตุมานอันตรายทุกระตุมานไม่อันตรายเวลาเต็มแบนี้ต้เต็มตบบนี้เราถึงไม่เปลี่ยนแปลงกันเนี่ยที่เดือดไม่หมดปัญญาไม่เสพ อออืความเป็นจริงเนี่ยนะความทนะุกข์เนี่ยไม่มีเจ้าของนะทุกข์ก็ไม่มีเจ้าของเป็นจัตเจ้าว่าธรรมะอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันจะหับต้มนไปมันก็ดับไปแบบความเกิดดับของธรรมะก่อนไม่จะทุกข์ก็เพราะเราไปเกินเจ้าของ ไปจนจะของทุกข์ไปจนจะของสุกขือความเป็นจริีอนะทุกนั่นไม่มีเจ้าของทุข ก, ก็ไม่มีเจ้าของเราไม่รู้เรื่องเลยจะเลยเห็ทุกข์เกิดขึ้นมาแตนไม่ว่าเราเป็นเจ้าของทุกข์กเกิดเกิดขึ้นมาแล้ ว, ว่าก็เป็นเจ้าของสุขมันึ็ไม่สบายเท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเป็นเจ้าของทุกข์ อยาเกเป็นเจ้าของสุขยุคทุกข์นั้นจักเกะว่าทำมันเกิดแล้วหายไปหายไปได้กระเกิดมาแล้ไปหายไปนั่นเป็นข้อมันอยู่อย่างนั้นถ้าใครไปเป็นเจ้าของสุขเจ้าของทุกข์คนนั้นในสบายจะ ต, ต้องพิจารอย่างนี้ปฏิบัติ อ, อจริ ง, งาถึงธรรมะ้รรมทานจริงจุด องมีปัญญาอ่าจะต้องอดทนจต้องมีความเพียรจะต้องมีเจริญนตรงนั้นต้องมาคึเรื่อนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วอืมเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วพุทธเกิดแล้วหลับไปสุขเกดแ้หลับไปไม่ใช่ของเราเรามีเชียงแต่ของใความเห็นเรืองนีถูกแล้วอือถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้าอะไรทุกเกิดขึ้นมาเราเป็นสองทุกเป็นสัมมาจิติทุกเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสองทุกเป็นสัสมาจิติความเห็นจิตในสุดซ่องปฏิบัติในทูปฏิบัติในทูปฏิบัติจิตดังนั้นปฏิบัตินี้ก็จะมีความอดทนมีความเจริญหน้าให้มันถูกทางมันก็เดินไปถึงที่สุดจิดก็สมุหน้านานาก็เกิดขึ้นยา ความเห็นเยังแย่เป็นสิ่งที่สำคัญมนกถ้าเราเห็นว่าสุดเป็นสุดของเรานของเราทุกส่นเป็นของเราอย่างนี้นทำกรรมฐานไม่ได้ไม่เกิดเกิดนิดหน่อยเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมเดิ น, บบนสมมัดเวลาแล้วมีอะไรไใครมีอะไรก็ให้โอกาส จพเฉพาะในการกระทันติดในการปฏิบัตินี้ในผู้ท่อย่างอื่นคือเื่องการปฏิบัติของจิตเหมือนในเชิงใช้ในตรงนี้เออวันนี้ข้าก็ทำงานเน้นนั่งสมาธิทุกวันทุกวันนีความสุบแล้วเนี่ยนั่งสมาธิมันมีความสงบจริงๆแต่วันนี้มีอาการวุ่นวายทำงานเหมือนมือจัดมือเ การเที่ยงการชั่วการตลอดไม่มีความสมดุลนิดหนึ่งในวันนี้จะเป็นอย่างี้ทำไมนั่นน่าเรียกว่าอานิจังมันเป็นของแม่แน่นอนบางที่จะสงบบางที่จะไม่สงกอันนี้ยิปงพัฒนายังไม่เกิดอย่างเต็มที่เราต่อไปอีกไม่ก่อนมีความสงบมาอยู่อย่างนี้ยอันนี้เรียกว่าอานิจังเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นธรร ม, มดา อ <colored> ดังนั้นท่านจึงอย่าไปเป็นเจ้าของมันอย่าไปเป็นเจ้าของความสงบอย่าไปเป็นเจ้าของความวุ่นวายวันหลังข้ามันเกิด ข, ดขึ้นมายนนนอย่างนี้ <S <S ทิจระนาหม่นี่นี่ทิจระนาผิดแล้วไม่ถูกทำไมไมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะโยมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นทุกข์โยมไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยทุกข์ อืมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นวิปวัตปัญหาอืมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นโย่นกวเลยทุกอย่างนั้นมันจึงเป็นอย่างนั้นอ่าความสงบแต่ความวุ่นวายนี่อ่ามันเป็นอันตรายเหมือน like like uh, งูเห่าอ่ามันงูเห่าทามันเรื่อยมาเรื่อยไปเรืยไปแตปล่อยแต่มันไปมันก็ไม่ทํำให ถ้าเราถ้ามันปลอยไปเหมือนงูเห่าเราไปตะพุบมันเมื่อไรมันจะทบกข์เม่นันมันตะปุมันจะทุกขเมื่อนั้นหมันกะถุนกระทุกเนีถ้าโยนไปเจะของสุกเจะของทุกเมื่อไรมัน็นอันตรายมันทบกเอามันก็งูเห่างูเห่าถึงแม้วันจะเป็นอันเป็นปรพิษ่จริงมันแต่เราจปตะคุบมันมันจะในทบกข์เราเมื่อมันในทุกเราคิดเมื่อันหนึ่มี็ยมอยู่กับงูในไม่มีไม่มีในตัวของเราไม่เข้ามาร่างกายของเรา วันหลังทีจาราใหม่พารณาผิดนี้มันเกิดอย่างนี้ยังไม่รู้มันเลยเปัญญาอย่าง น, น, น้อยอยากน้่่เลยยานิ่งให้นั่งะมาธิอะอยากนั่งในน้อยแต่อยากนั่งให้มากก็นั่งในที่หนึ่งนิ่งมีบบกไม่อยากนั่งในที่เคืนทั้งแขงไม่อยากจะนั่งอย่างนั้นก็ไอปัญญามันก็ไม่เกนนิดอย่างนี้นเลย มันพุกดีอด้วยด้วยฉะนั้นต้องพยายามใหม่นะต้องพยายามใหม่เนี่ยตันฑ์เพียรแรงม า, งากมากเพิ่ามถ้าว่าจิตใจของเรามันชอบความสุขนั่งนิ่งเพียงพอแล้วนัง่งเบานั่งผูกนิ่งนิ่งสบายเลวเท่านั้นน้ำมันจะเห็นธรรมะอะไร ม, <laughs> มันไม่ได้จากจิตจะผูกก็นั่งแดดไม่เป็นสยอย่างนั้นจิตของคนเราเป็นอย่า ง, งนั้น ขนาที่มีทางความใจใหม่เนาะโยงนะทางความใจใหม่ทุกทุกคนการทำสมาธามันจะดีขึ้นดีขึ้นถ้าเอาเอาความเห็นใจขอมืงอะถอยออกมาเด้อยพวกพาชายชนทั้งหลายนั่นนยกำลังมีเหตุการณ์อะไรอะไรหลายๆอย่าง เพื่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นในใจของตนเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นในใจของตนก็คนคิดหาทางที่จะผลทุกข์สิ่งที่จะผลทุกข์นั้นก็คือสิ่งที่ไม่มีทุกข์เราปฏิบัติหน้าสิ่งที่ไม่มีทุกข์ ปฏิบัติท่าจึงที่หมดทุกข์จึงจะพ้นจากทุกข์ถ้าทั้งหลายก็พากันเดินู่แล้วเช่นว่าการล่ำรวยมันจะพ้นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้การเรียนวิชามากมากทุกอย่างจะให้พ้นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้ เพราะเหตุว่าวิทธาทั้งหลายเหล่านั้นมีความเกิดแก่เกิดตายครอบงำอยู่จึงคนทุกไม่ได้พวกแก่ทั้งหลายจึงจึงเวบวนมาหาความผนทุกข์ในทางพุทธศาสนาว่ามาในทางพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่มีใครรู้จัก เมื่อโยกยนม์ทางพุทธศาสน า, านี้ไปยังมีใชรตระหนักว่าอะไรเป็นอะไรด้วยจุณพาการะเวงหาปฏิบัติจะตกลงว่าพวกเราทั้งหลายนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะ่คนจากทุกเนี่ยเรา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 จะตงจะต้องจบพระใจพิสดุจึงจะปฏิบัติได้บางอาจารย์ก็ให้ความเห็นว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่ต้องเรียนให้มากจะดาอันหดมันผิดไม่ก็เลกมันเสียอันหดมันถูกแล้วก็ปฏิบัติตามอพอแล้วปัญหาอย่างนี้หนักใจกับพวกเราทาั้งหลายที่จะเสาะหน้าทางคนจากทุกข์ ทำกรรมฐานเป็นต้นบางคนก็จอดว่าต้องเรียนอริธรรมไม่เรียนอริธรรมทำกรรมฐานไม่ได้เช่นนี้เป็นต้นยึดหนอคองหนออยึดหนอคองหนออย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องที่ยุ่นวายกับพวกเราท่านท่านหลายที่เจะบฏิบัติ เป็นส่วนมากอยู่นัน้นจึงเกิดมัญหาความโผกเสียงกันึ้นว่าของสันถูกของเศริยี่นวายอยู่ตลอดทุกวันนี้าการเปนจริงนี้คำสอนของรพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นเหตุให้วุ่นวายถึงอย่างนั้นแต่พวกเรทาทั้งหลายกม็มาคิดคืนเองเรื่อจิต มันประกอบไปด้วยความรู้ประกอบไปดยความหลงมันจึงมีความยิ่งยากอย่างนี้ในความคิดของตนเองนั่นก็คิดไปอย่างพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนท่านดูก่อนท่านการประพฤติปฏิบัติหนึ่งพูด ท, ท่านรู้จักว่าให้ทพ า, านขึนอดีตเสียขึ้นอนาคตเสีย ที่จะมาอยในปัจจุบันนี้เองในต่อตามไปเพราะว่าทำในอดีตเกิดในอดีตแล้วมันจะดับไปในอดีตันอนาคตก็ยังไม่มาถึงมันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะดับไปอนาคตันปัจจุบันนี้ท่านเจนาในปัจจุบันนัทามนี้เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มันกะดับไปในปัจจุบันนี้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 อที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุอนาคตอยู่แล้วฉะนั้นชั้นจึงที่นายธรร ม, มะในปัจจุบันทั้งเหตุทั้งผลในที่อันเดียวกันนี้ในปัจจุบันนี้เหตุการณ์เกิดเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห็นการเกิดเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเห็นความเกิดดับเดียวย่างนี้ตลอดเวลาท่านจึงที่จะงานจิตอยู่ในปัจจุบันวางอดีต ได้กะวางอนาคตทีิจนาทำในปัจจุบันนี้เอาจิตนี้ทิจนากายเอาจิตนี้ทิจนาจิตก็เห็นความเกิดดับอยู่ในปัจจุบันนั่นเองแสงใสของท่านก็เหี่อวแห้งไปหายไปเพราะการเห็นธรรมในปัจจุบันที่เกิดดับ มีเยอะกว่าท่านของพระพุทธเจ้าไม่มากเราที่มีความหลงมีจเจตเดียดปัญหามากก็คิดมากพงมากใจมจริงจริงของไม่มากเราไปทําใน้มันมากเพราะนั้นมันไม่ยุ่งหลักใหญ่ๆทั้งหมดในคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นงที่มันเป็นเจตเดียดนั่นก็คือโภพโภะโมหะสามประการนี้เท่านั้นอ กิเลสทั้งสาประกานี้มีโมหะเป็นมูลเป็นต้นเหตุเลพะโภจะเกิดมาตามสิ่งที่เกิดปฏิบัติทำลายกิเลสทั้งหลายเหล่านี้สิ่งเป็นส่วนใหญ่อืก็คือจิตขาสามคือขีนจิตขาสมาธิจิตขาปัญญาสิตขาทั้งสามประการนี้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 เมื่อปัญญาเกิดแล้วเป็นต้นก็พิจารณาสิ่งทั้งหลายทางปวงมีร่างกายเลาวนีเป็นต้นให้เห็นความเกิดดับรูปธรร ม, อ, มอยู่เสมอเช่นรูปธรรมก็คือสกลร่างกายเราทุกส่วนนี้นามธรรมก็คือความรู้สิตนึกคิดของเรานีอื่นรวมกันอยู่ทางกายด้วยจิตนี้ อันนี้งป็นอนันยังทุกขังอนัตตาไม่ที่จะงานรูปธรรมนามธรรมทั้งสองประเภทนี้รวมลงเป็นันเดียวคือเอโพธโมโเป็นคำที่ไม่แน่นอนไม่นควรยึดมัน่นรือมั่มเห็นโทษของความเกิดเห็นโทษของความแก่เห็นโทษของความตายอยู่ในใจภายในจิตก็เกิดสะ ด, ดเกิดความเบื่อหน่าย อไม่อยากหาทางที่จะมาเกิดอีกแล้วอืเพราะว่าเป็นทุกข์คนได้ยากเมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็พย า, า, ายามฝักใฝ่หาทางที่จะพ้นจากทุกข์ต่อไปเมื่อนั้นจิตจะมีความเบื่อหน่ายทายความกำหนัดเมื่อจิตมีความเบื่อหน่ายทายความกำหนัด เพราะเห็นโทษของรูปทำนามทำแล้วอุปทานความมั่นหมายก็ไม่มีเมื่ออุปทานมั่นหมายใน ม, มีเพียงต้นก็ไม่มีอะไรจะต่อให้ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกด้าการการะทำของเราที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้พยายามทำจิตต่อกันบ่อยๆจนให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในจิตใจของเจ้าของนั้น บัดนี้จะถูกหืือผิดยังไม่รู้ทุกคนเมื่อจิตใจมันเบืยร์นายคลายความกำหนัดไม่ยึดมั่นถือมันในกองสังขารทั้งหลายเหล่านี้จึงจะรู้เรื่อยเป็นเรือง เ, เ, เป็นปฏิจจตัตตงยีปิสะโพได้ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายที่มาไปชุมปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องสงสัย บางคนอาจจะสงสัยว่าทำมานานแล้วก็ไม่เห็นมันผลคุบคิดอย่างนี้หรือไดให้เปรียบเหมือนบรุษี่สีไฟความร้อนยังไม่สมรุนกันไฟมันเกิดไม่ได้มันอาจเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่าสงสัยในการปฏิบัติปฏิบัติอันนี้ขอให้พระสั่นัางหลายมีศรัทธา มีความเชื่อและกะมีปัญญาทำไปให้จนปฏิปทา ต, ต่อไปหลังนั้นจนถอนทิิถือความเห็นว่าการเรียนม า, มากๆรู้มากๆนั้นพ้นทุกข์แล้วมันมีจังทุกขงังอัตตาในกายจากักจิตของเจ้าของนี้รู้เข้าใจเปนจริงแด้กระไั้จากพาทานเท่านั้นก็พ้นทุกได้ จะให้เยนทุกคนคอนใจว่าความเกรดเกิดขึ้นในใจนั่นก็เป็นอันตรายความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจนั่นก็เป็นอันตรายในความรักที่เกิดขึ้นจากใจไรนั่นก็เป็นอันตรายความเกิดที่เกิดขึ้นจากใจไรนั่นก็เป็นอันตรายทั้งนั้นถ้าเห็นแบบนี้แล day, um ้วให้เราเกดนี้ทุกนี้รักนี้เกิดนี้เปนของอะไรนี่ เ, เรื่องอันนี้อย่างทุกข์ขังนาตาานั้นได้ปกดปล่อยวางเรียนเท่นี้ร็จเท่นี้ตามเป็นจริงแื้วไปจบแล้วกระโนจากทุกข์เท่านั้นไม่มากอันนี้มาเกิดเป็นธรรมะของพระพุทธองค์แล้วอืมไม่เป็นของมากไม่เป็นของน้อยอันนี้แหละวันนี้เอาให้โยมไปติจกรรมา ไอ้จิตเรนาจิตจิตเรนากายกับจิตมูอกายมีอเป็นอย่างไรเคีองไหมแม่นอนไหมจิตนี้แม่นอนไหมแม่นอนไหมโดียจิตนี้จนกว่าจิตของเราจะเห็นในจิตปัญญาเสพติดในจิตเห็นกายกับจิตนี้เป็นอย่างนี้เห็นตายกับจิตนี้เป็นอย่างนี้เจ้ของแม่นอนอย่างนี้แม่จางเห็นเกิดเป็นอย่นี้ จิตเราก็เบืยรจิตได้ก็นาเดดานมื่อจิตได้เบืยรเมืดด่อจิตเราหนาเราก็หาทางพ้นออกจากทุกข์เท่นั้นการแสดงธรรมืให้ความรู้ความเห็นให้สัญญาเกิดกับจิตของโยม ท, ทุกคนตอนนี้ไปก็เวลามันจะหมดแล้ว ก็เป็นเวลาที่จะถามปัญหาเล็กๆน้อยเท่านั้น <c oughs> จ้าจะไม่ไปจิดแบบดแค่ไหนมันไ ป, ปกินเบ็ดไปจนไปินเหวียดอุ้าทำนี่จากราเรือเบ็ดนั่นาไม่ไป ก, กินเบ็ดนะกเรือเนะทีนี <c oughs> ้ปลาจะ่จินอะไรเบ็ดมันเบียร์ากคนเนี้ยไม่ดุทาไมปลา ม, ามันเพงจะทํานี่นาา้ เหอเนี่ยปลาไม่ใช่ใจจิตใช่ไหมปลาใจจิตอืมลึหลังนั้นถ้าามันมันรู้จากว่าเป็นอันตรายอย่างนั้นปลาม่ควไปกินเด็กนี่เราเราเป็นผู้ภาวนาแ ล, ลา้องจะภาวาอืบางตามันเห็นลูกล้วจะชอบมันจะเกเมกันนะเฮฟังเสียงล้วก็ชอบจะเป็เดเหมือนกันนะ จะหมูกลั้นกลินมันก็ชอบแล้วจะไจีบกลิ่นึันก็เป็นเด็กเหมืนอนกันรื่นเรื่อแล้วก็ไปรื่นจีบรัดนั้นอันนั้นก็เป็นเด็กในโพธาฟ้าเจกาจอมทางายนั้นก็เป็นเด็กเหมือนกันแต่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าเป็นของสนุกสนานในรูปเรื่องดังนั้นจึงจะติดเกี่ในตามาทุนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสจนเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเป็นทุกข์ในใจ อนี่เขาอะไรเ็ราะความไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นเองนี่เราควรศึกษาให้รู้จักจิีตใจของเรามันเป็นอย่างหนึ่งความจริงเปนอย่างหนึ่งบางทีของดีไม่ดีใจเราก็เห็นวาดีตรงนี้บางทีของนั่นดีใจเห็นว่าไม่ดีตรงนี้อือบางทีเห็นว่านี่ถูกธรรมะนั่น่ถูกตรงนี้ หลายอย่างใช่ครับนี่จะนังจะให้ภาวนาจะต้องมีจินาให้รู้จักให้รู้จักถ้าไม่รู้จักอางนั้นมันก็เหมืลากลาไปกินเบ็ดถ้ันเห็นอ ย, นนน ย, าย่างนั้นกินเบ็ดดกมันจึงเหลี่อแต่ามันไม่รู้จักมันไม่ไปปลูกเบ็ดไปเลยซุกถ้าไม่รู้จักก็อดทนอดทนรักษาศีลอดทนมานั่งสมาธิอดทนมานั่งสมานม า, าน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 ดังนั้นพระพุทธเจ้าจถึงเตรียมตัวไว้ท่านเตรียมตัวไว้ท่านสอนไว้ว่าวันคืนร่วงไฟร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คือ ท, ท่านให้เตือนใจในตัวของเจ้าของว่าวันคืนร่วงไปร่วงไฟ บ, บัดนี้เราทำความความชั่วอยู่หรือทำความดีอยู่ ใครทาความผูกอยู่หรือเขาทำความผิดอ ย, ย, อยู่อะไรนะอืมทนสาอะไรเหมวดเจ้าใจก็เป็นหนนมวดผูกใช่ไหม <c oughs> อ่าทานอาจารย์จะข อ, อ, อ, อโยมทั้งหลายนี่เนะบางคนก็ยังไม่คลีจักอ่าบางิ่งบางอย่าง คนที่ไม่รู้จักนี้ก็ไม่รู้จักจะทำเนาะอัตมาเั่นกันไม่รู้จักไม่รู้แม้ท่าไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจะทํานะครับอย่างยูงยนไทรมาเมืองมีจินยันาอนเนี่ยไม่รู้ภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้ไม่รู้เรื่องนี่เดี๋ยวคนไม่รู้คนไม่รู้จักพูดไม่ได้ที่คนเรายังไม่รู้มันก็ไม่รู้จักจะทําไม่รู้จักจะพูดเป็นธรรมดา เรื่อง พ, พิธีการพุทธศาสนาสนี้สมือนกันมีหลายอย่างเช่นตัวอย่างอัตมาจี่าแสดงรรมนโยมฟังมาเร้ถึงข้าเลยกมาสารส <g iggle> าบแล้วก็เป็นาราชาอรหังสมมาสัมพุทธโลกวากลโยมคงจะไม่รู้ที่สากแล้วก็ราบอีกาบางทีดลวายจะหันแรกก็ถวายจังหันแรกก็ให้พร สองกาะยะฆ า, าวาริวหาปูราปริโบเินติจ้ากะังเอวามีอย่างนี้เป็นต้นโยมบางคนที่ไม่ได้ จ, จาบตั น, นี้กะพาะไมร้องเสียงก็อันนี้เป็นที่ขอบคุณของโยมญาติโยมทั้ ง, ง, ง, ง ห, หลายทานทาขอบคุณให้มีความดีเยี่เป็นสุด น, นีความสำนึกอย่างนี้เป็นต้นความหมายที่เรจาจักพระพุทธเจ้าเนี่อตันเป็นขันนั้น พระพุทธเจ้านั้นนะพระพุทธเจ้านีน่ถ้าเป็นรูปมีจรูปรูปอย่างนี้แต่ไม่ใช่รูปนี้เป็นรูปความาพระพุทธเจ้าที่สันนกิกรให้คนละความทั่วประสิทธิความดีที่ให้คนให้เรียบเรียนซึ่งกันแะกันมาถึงทวันนี้ก็ท่านสอนอย่างนั้นนาะถ้าท่านเป็นผู้มีคุณอย่างนั้นไนะรความกราบด้วยอ่ อ, อ, อนเนาะ ด้านเมืองไทยอาเมืองไทยสหากลางและไปถึงกันมีการว่าอย่างนี้ดีใจมากแต่ว่าบเคาัพกันอย่างถึง น, นี่เรียกว่าเป็นปริยาของพุทธศาสนาฉะนั้นที่อตน า, นานานี้ทจ่กรรมกาบก า, ากสก บ, บาสะกดเป็นติระลึกจงใจสบายว่าท่านเป็นผู้มีบนมีคนแต่เราเราเจริญ น, ใ น, นาปฏิบัติทรอย่างนี้ก็พรการสอนัองท่านอย่างนั้นมจะเรื่งบนคนท่านมได้ ถ้านม่จิดบาบท่านลลวกบาปท่านไหวอะไรไหวความดีของท่านว่าความจริงของท่านอือไหวธรรมะที่ท่านปรพฤติปฏิบัติมาแล้วมันจะกต้องเช่นว่าท่านสอนอะไรคาดีก็เลยดีความเชื่อในเชื่อเหล่านี้เป็นต้นคำสอนจิตวิญญาณศาสตร์อย่างนี้พวกวันนี้ก็ยังหางแต่ทีไหนยังสังอยู่ในโลกตอนนี้ใครทาดีก็ยังได้ดีอยู ใครทำเชื่อก็ยังให้เสื่ออยู่ตลอดเลยวันนี้คาสอนอันนี้เป็นคาสอนที่ออกจากใจทั้งขั้นจากใจทั้งขั้นอืมคาสอนนี้จึงเป็นประโยชน์ท่านจึงปเป็นผู้มีประโยชน์แก่ชายโรครทัง้งหลายเพื่ออืมเราะว่าสอนมนุษย์ปหาให้ำทำผิดผดต้องให้โทษผี่ผิดต้องให้คิดผิดถิกต้องัร ง, ง, ง, ง, งนั้นฉะนั้นจนึงประาศว่าท่านเป็นไอ้เป็นทีระดกเป็นที่สื่นทางใจเท่าไรก็ได้อืนี่ป้าหมายอย่างนั้นถ้าเา ท, ท่าไเมีกาะกาศท่านจะค้นจะคน ถ้ายาังมีชีวิตเด็ทเกทำใจแบบอะไรยางคืออ่ะอืมอืขอบคุณคทาต้งไทยแะขอบคุณมีการทํายเด็กเป็นจิอย่างนั้นยึดสมายอย่างนั้นอืมบางคนจะนำทานไปใส่พรไปตึกไปเรื่อยไปั้องความขมขลบีจเป็นจิตของกุศลศาสตร์สมทุกคนไปเมืองไทยกันแล้วนันใครยไปเมืองไทยล้วกั น, นไปติดไปว่าอ่างนี้นดีใจมา อบคุณมากเร่งองการทำคาราบคสอนที่สารกนิฐานมีแต่หาเอหาจามหาที่บริสุทธิ์หาท้ที่บริสุทธิ์อย่างพครอย่างนั้นจะทาอย่างนั้นจริงเป็นคนพิมพ์น้าเป็นคนผิเกรโดดเป็นคนที่ ป, นนท ป, นนทปฏิบัติมีอย้มมีเห็นทนุกมีจากทุกข์จากกระแาารแล้วก็เพ่งกาลังจิตผลไปทามันเทื่ยวจนมาเาลาื่นสายาเป็นคราบเหมือนกันนี่ก็เขาไม่เคยเลี่อนสาย จะมีจะมีลูกจะมีเช้าของเงินทองมีอะไรวู่วายอยู่แล้วก็ทานการมาทานการทามเย็นการ่านเสพนังจินเดียหรือการกินสุราอือก็เป็นธรรมดาธรรมดาเป็นการเรียนนิทย์ก็เปไงแล้วจังแต้องกาะเดียนต่องารหที่มีคนลูกก no no no no no no oh, ับเราแต่นะแต่เป็การเรียนการปฏบัาิุกธศาสนาที่เป็นทางทำกรรมฐานก็ต้องหาคนพูดที่มีขีดเหียน้อยเบาบางออกจากคนทุกข์จริงและจริงสงควรก็จะเห็นอย่างนั้น